รอบสองตรวจกันบ้านเป็นรอบแห่งความเหน็ดเหนื่อยหลวงพ่อเราสงสัยพวกเราทําไมปัญหามันเยอะนะเราสังเกตไหมปัญหาที่ถามนะซ้ําๆซัซซกๆน่าเบือ่อจับหลักให้แม่นมันไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่หรอกนะดูเรื่องที่ถามนะลองดูแต่ละวันแต่ละวันคล้ายๆกันนานๆจะมีใครมาเล่าสภาวะน่าฟัง ภาวนาผิดมันก็เริ่มแต่ไม่ได้มีสตินะไม่ได้มีสติจริงๆเนี่ยก็เพ่งเอาเพ่งเอาอะไรเงี้ยหรือไม่ก็คิดเอาคิดเอาพวกเพ่งเอาพวกคิดเอาเนี่ยไม่มีวันเข้าใจธรรมะพวกรู้เอานี่รู้บางคนก็ไปรู้แล้วก็ไปจ้องอะไรเงี้ยคนรู้แล้วก็เข้าไปแทรกแซงนะจับหลักให้แม่นๆสังเกตใจตัวเองไปการภาวนาของเราตอนนี้เราไปประคองไว้เราไปแทรกแซงเราไปควบคุมไว้เนี หรือเราไปเพลินเิ น, นิ่งนิ่งว่างว่างอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราสังเกตของเรานะั้นมันก็เอาตัวรอดได้หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ไม่ได้อยู่ใกล้ท่านครูบาอาจารย์แต่ก่อนอยู่อีสานกว่าจะไปหาได้ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนะไม่ใช่ง่ายเลยต้องเก็บวันลาเป็นข้าราชการเราต้องเลือกวันที่ดีๆวันที่มีวันหยุดเยอะๆ จะได้ช่วงมาคะทีหนึ่งนะวิสาขะอาสันหะเนช่วงนี้มันจะมีบรรยุแล้วก็วันเฉลิมของในหลวงอเนะี่ยช่วงวันเฉลิมวันเดือนธันวานเนี่ยจะได้นานหน่อย ม, มีวันที่สิบอีกวันเราลาคล่อมไปคล่อมมาก็ได้เยอะนะเนี่ยคิดดูนะสามสี่เดือนเฉลี่ยแล้วสามสี่เดือนถึงจะได้ไปหาครูบาอาจารย์ครั้งหนึ่งถ้าหลวงพ่อช่างถามเหมือนพวกเราคงตายคาที่เลย ไม่มีใครมาตอบให้อาศัยอะไรอาศัยโยนิโสมนัสิการอาศัยความช่างสังเกตของเราว่าที่เราภาวนาอยู่เนี่ยมันถูกหลักที่ครูบาอาจารย์บอกไหมค่อยๆสังเกตเอาสังเกตแล้วเราก็บอกว่าอย่างนี้น่าจะถูกนะเราก็ลองดูลองปฏิบัติ ด, ดูอย่างนี้เราคิดว่าทําแบบนี้ดีลองลองไปหลายๆวันทบทวนนะทบทวนไปทบทวนมาไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่ หรือว่าอย่างนี้จะดีอะไรเนี่ยสุดท้ายมันก็กลับมาหาหลักที่ครูบาอาจารย์บอกให้แล้มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเมื่อไหร่ทิ้งหลักอันนี้นะก็คือพลาดไปแล้วถ้าจับหลักนี้แม่นไม่ต้องถามใครแล้วสังเกตเอาจับหลักให้แม่นแล้วก็ใช้ความสังเกตเอาโยนิโมนศมานสิการเนี่ยไม่ใช่แปลว่าคิดส่งเดชคิดตามใจชอบนึกิะคิดก็คิดเอาเองไม่ใช่ แต่ต้องคิดให้อยู่ในหลักอยู่ในแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเราต้องเรียนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก่อน พ, พุทธเจ้าสอนอริยสัจนะง่ายๆเลยทุกให้รู้ทุกคืออะไรทุกคือกายกับใจหน้าที่ของเราก็คือรู้กายรู้ใจเห็นง่ายๆถูกรู้ไปเรื่อยละว่าหนึ่งละสมูทายเองละความอยากพอหมดความยึดในกายในใจมันก็หมดความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขหมดความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ เมื่อไรจิตหมดความอยากนะจิตเก็เห็นนิพพานนิพพานคือสภาวะที่พ้นจากความอยากยังอยากอยู่นะไม่เห็นนิพพานยังอยากปฏิบัติเนีไม่มีวันเห็นนิพพานหรอกอยากได้ผลนะยิ่งไม่มีทางเห็นใหญ่นะยันตราบใดที่ความอยากยังคลองหัวใจอยู่ตราบนั้นยังไม่เกิดมากผลหรอกนี่นเราสังเกตของเราไปได้อยู่ในหลักนี้แหละรู้ทุกไปรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้ไปเรื่อยท่านให้รู้เนี่ยท่านไม่ได้ให้บังคับนะ ไปเพ่งกายเพ่งใจเรียกว่ารู้กายรู้ใจหรือเปล่าเพ่งกายเพ่งใจก็ไม่ใช่รู้กายรู้ใจอย่างบางคนไปดูท้องพองยุบนะเพ่งอยู่ที่ท้องทําไมต้องเพ่งเบื้องหลังการเพ่งคือโลภะอยากปฏิบัติเบื้องหลังโลภะนะัก็คือความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเราเราอยากให้เราพ้นทุกข์อวิชามันมีอยู่เห็นว่ากายนี้ชิ้นี้เป็นเรายึดถือว่าเป็นตัวทีตัวพิเศษนะเพราะมีอวิชาก็เลยมีตัณหาอยาก พออยากแล้วก็ทําตามอยากสนองคนทั่วๆไปสัตว์ทั่วๆไปพอเกิดความอยากก็ตามใจมันสนองกิเลสไปเรื่อยความอยากก็หมดไปเช่นอยากไปดูหนังแล้วไปดูหนังก็หายอยากนี่นักปฏิบัตินะชอบบังคับตัวเองจิตมีความอยากปฏิบัติอยากอะไรนะลงมือปฏิบัติลงมือบังคับตัวเองที่ถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่ก็บังคับตัวเองไม่นั้นบังคับกายบังคับใจกายก็ต้องเรียบร้อยนิ่งๆทําอะไรต้องช้าๆนะ ไปสังเกตดูครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวานาที่ไม่เห็นมีองค์ไหนท่านช้ายกเว้นแต่ท่านชาของท่านเองช้ามาแต่ไหนแต่ไรอย่างโรพุเทศ น, น์นุ่มนวลท่านทําอะไรก็ช้าช้าหน่อยท่านนุ่มนวลอาจนมหาบัวชุบชับชุบว่บองไวแก่ปานนี้นท่านยังว่องไวอยู่เลยเห็นไหมท่านไม่ได้ดัดจริตทำเป็นช้าช้าให้ดูหน้านับถือไม่มีไม่มีเสแสร้งเลยดังนั้นการภาวานาไม่ใช่ไปดัดแปลงคิดถึงการปฏิบัติก็ดัดแปลง เคยเดินท่านี้ก็เปลี่ยนท่าเดินเคยตั้งอย่างนี้ก็เปลี่ยนท่านั่นเคยกินอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีกินบางคนกินข้าวนะกินข้าวเช้ากว่าจะเสร็จให้ข้าวบูดเลยนะกินนอนมากเลยนะ น, นั่นแปลงฟันมื้อเช้านะจนเพื่อนเขากินมื้อกลางวันเสร็จแล้วยังปแปลงไม่เสร็จเลยนะเขามีนะไม่ใช่ไม่มีอะไรมันจะดัดปแปลงตัวเองมากนะการภาวนาคือการเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่คือการดัดปแปลงตัวเอง รู้กายลงไปรู้ใจลงไปดูของจริงในกายในใจนะกายนี้ไม่เที่ยงหรอกเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดกายนี้ทนอยู่ในสภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้กลายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะไม่ใช่ตัวเราหรอกดูลงไปจิตก็เหมือนกันนะมันไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทนอยู่ในภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้ถูกตันหาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาลวเราบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้จริงหรอกเรียนจนเห็นของจริงนะพอเห็นความเป็นจริงก็จะเบื่อ เราเห็นตามความเห็นจริงก็เบื่อหน่ายไม่เห็นจะดีไม่เห็นจะวิเศษอย่างที่คิดไว้เลยเดิมเราคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรารักมันที่สุดเลยเป็นของดีของวิเศษประครบประงมมันที่สุดเลยมหาหัดเจริญสติเข้าเห็นมันมีแต่ทุกข์กายก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวคันเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวปวดอือปวดชี่เดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวเมื่อย สารพัดเลยไม่เห็นจะดีเท่าไหน่นะเรามีสติรู้ไปด้วยนะเห็นแนละ้มันไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตก็เหมือนกันอุตส่าห์ไปตอบสนองกิเลสนะมีความสุขขึ้นมาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็อยากอย่างอื่นนะทุกข์อีกแล้วต้องหาทางมาสนองมันอีกลแล้วเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งหมดเลยค่อยฝึกค่อยฝึกไปนะโอ้กายนี้ทุกข์ใจนี้ทุกข์นะมันจะเห็นตามความเป็นจริงเห็นแล้วมันเป็นทุกข์เห็นแล้วมันจะเบือ่อเบื่อเองนะไม่ต้องแกล้งเบือ่อ เบื่อนายแล้วคลายความยึดถือลคลายความยึดถือในจิตเราไม่ไปยึดมั น, นมันก็หลุดออกไปเองเนี่ยถ้าหลวงพ่อหยิบพัดนี้ขึ้นมาทําไงจะปล่อยวางพัดได้เนี่ยเหมือนที่พวกเราทําอยู่ตอนเนี้ยทําไงจะปล่อยกายปล่อยจิตได้เนี่ยน ะ, ะจับไว้แน่นเลยปล่อยอะไรอะ่ะถ้าเมื่อไรหันมาดูุย๊ยนี่มันกิ้งกือนี่เห็น ไ, ไหมมันก็โยนแล้มันไม่เอาละ้วนี่รู้สึกโอยพัดนี้ถ้าจะแพงอันหนึ่งทั้งสามสี่บาท หวงก็ไม่ปล่อยสิถ้าเมื่อใดเห็นความจริงนะทั้งกายทั้งใจนี่ไม่ใช่ของดีมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยนะมันจะทิ้งของมันเองไม่ต้องเชิญให้ทิ้งมันจะรีบทิ้งทิ้งแบบหัวสุกหัวซุนเลยเหวี่ยงทิ้งเลยนะพอเราปล่อยวางไปได้ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเราจะเข้าถึงธรรมะที่พ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจธรรมะชนิดนี้มันมีความสุขที่สุดเลยเป็นบรมณมัสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่น ไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นเลยเป็นความสุขเป็นความเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองทําไมละ่ะเรามีโอกาสที่จะเข้าถึงสภาวะอย่างนี้นะเราเป็นชาวพุทธเรามีโอกาสเข้าถึงสภาวะที่ว่านี้กันทุกๆคนทําไมเราไม่ตั้งใจศึกษาปฏิบัติศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรวิธีปฏิบัติทํำยังไงนี่ศึกษาให้ได้อันนี้มาศึกษารู้วิธีปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วลงมือรู้กายลงมือรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไปรู้ไปเรื่อยนะ วันหนึ่งก็เห็นความจริงของกายของใจเขาปล่อยวางเขามีความสุขแค่เริ่มต้นนะปล่อยได้บ้างหยิบเอาไว้บ้างก็ยังมีความสุขพวกเรารู้สึกไหมบางคนภาวนามาช่วงหนึ่งที่มันก็ปล่อยออกไปมันก็มีความสุขนะไปคว้าขึ้นมาใหม่มก็มีความทุกข์อีกหยิบหยิ บ, ยบปล่อยปล่อยไปเรื่อยๆนะยังปล่อยได้ไม่หมดวันหนึ่งปัญญามันแจ้งเห็นอนิจจสัตว์เห็นเลยกลายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆมันปล่อยหมดเลยคราวนี้ อปล่อยเมื่อก็ค้ามภพข้ามชาตินะัใครรู้แจ้งอริยสัจก็ข่ามภพข้ามชาติไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วไม่รู้แจ้งอริยสัจยังเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นของดีของวิเศษอยู่ยังเที่ยวแสวงหากายหาใจอยู่ไปเกิดเรื่อยๆไปตายแล้วเกิดนะตายแล้วไม่ใช่ศูนย์แต่ไม่ใช่ตายแล้วจิต ด, ดวงนี้ไปเกิดใหม่พวกเราภาวนากับหลวงพ่อถ้าใครก็ถามว่าตายแล้วเกิดไหมต้องบอกตายแล้วเกิดแต่ไม่ใช่จิต ด, ดวงนี้ไปเกิด ถ้าเห็นว่าจิตดวงเดิมไปเกิดเนี่ยแสดงว่าภาวนาไม่เป็นเราต้องเห็นนะจิตมันเกิดแล้วดับใช่ไหมจิตเกิดตรงนี้ดับตรงนี้เกิดตรงนี้ดับตรงนี้แหละอยู่ในปัจจุบันนี่แหละในส่วนเราเห็นในจิตทุกดวงเกิดแล้วดับมันก็ไม่มีหรอกจิตที่ค้าพภพข้าชาติไปมันมีแต่จิตดวงสุดท้ายในชีวิตนี้เรียกว่าจุติจิตจุติจิตเนี่ยนะมันจะเหนี่ยวนําให้เกิดปฏิสนธิจิตจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นในภพใหม่นะในชีวิตใหม่ไม่ใช่ดวงเดิมไปเกิด จิตดวงเดิมไปเกิดเป็นมิจฉาทิฐินะเห็นว่าจิตเที่ยงเห็นว่าจิตเที่ยงคือจิตเป็นอัตตาเป็นอาตมันเป็นตัวเป็นตนอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิพวกเราหัดภาวนาเราเห็นจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เรื่อยเราเห็นแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิไม่มีตัวตนถาวรแต่ว่ามันมีพลังงานมันเหนียวนําไปแับใดที่ยังไม่สิ้นกระแสของพลังงานนี้มันก็เหนี่ยวนําให้เกิดจิตดวงใหม่ขึ้นมาอีกทํางานต่อเนื่องกันไปได้่อย จิตดวงใหม่มันก็เหมือนรูปของจิตดวงเก่ามันรับมรดกไปก็ได้นะรับหนี้สินของพ่อของแม่ไปก็ได้คือรับมีบากที่ดีก็ได้ที่เลวก็ได้ที่จิตดวงก่อนๆมันทำเอาไว้แต่ว่าไม่ใช่ดวงเดียวกันค่อยฝึกนะฝึกไปไม่ยากเท่าที่คิดหรอกพวกเรามีบุญสุดขีดแล้วนะเราเป็นชาวพุทธเรามีบุญสุดขีดแล้วเราได้ฟังธรรมะนะ เหลือแต่ว่าเราภาวนาให้สมควรแก่ธรรมะแล้วเราก็จะได้ลิ้มรสชาติของธรรมะมีความสุขที่สุดเลยรออยู่ข้างหน้าความสุขในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เป็นความสุขโชคราวเหมือนภาพลวงตาเท่านั้นเองเป็นความสุขที่เจือด้วยความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยอย่างเรามีความสุขที่ได้อยู่กับคนคนนี้เราก็ต้องเอาใจเขาใช่ไหมเดี๋ยวเขาไม่อยู่กับเราเราไม่มีความสุขเลยเรามีความสุขเพราะว่าเรามีรถยี่ห้อนี้ขี่อะไรเงี้ยถ้ารถนี้พังไปแเราก็ไม่มีความสุขละ มีความสุขที่อิงอาศัยอย่างอื่นเรามีความสุขเพราะเรายังหนุ่มยังสาวเกินไม่หนุ่มไม่สาวเราก็ไม่มีความสุขละเรามีความสุขเพราะสุขภาพยังดีสุขภาพไม่ดีก็ไม่มีความสุขละแล้ความสุขของโลกโลก้นความสุขจำปลอมชั่วครั้งชั่วคราวเองความสุขในธรรมะนะที่จิตมันหมดความยึดถือกายยึดถือใจมันมีความสุขอย่างแท้จริงเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองเลยรู้สึกเลยชีวิตนี้คุ้มค่าและไม่เสียชาติเกิดแล อ่ะต่อไปตรวจกันบ้านหลวงพ่อเทศซะหน่อยหนึ่งเป็นวิธี อ, อมแรงหลวงพ่อตรวจกันบ้านนะ ย, ยังจะจับปูใส่กระดง้งแต่ละคนเอากาวมีไหมเห็นความรู้สึกครับก<ม>็เห็นความรู้สึกได้มากขึ้นหน่อยเอออย่าไปกดไว้นะ่าจะกดทีก็ทันทีก็ไม่ทันครับเอ่นั่นแหละดูเพลงนั้นนะไม่ต้องทันตลอดหรอกรู้บ้างเผลอบ้างแต่ว่ารู้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะอ่ะมีอีกไหมใครอยู่วัด อย่าไปอ่านสือแล้วมาถามนะน้ำมัสการหลวงพอ่อยกมางี้โอาแ ท, ทเแท อ, อวันนี้กับเมื่อวานรู้สึกปฏิบัติได้ดีขึ้นกว่าวันก่อนเห็นกิเลสมากขึ้นความหลงแบบวันนี้ตื่นมาก็หันไปดูในการเลยก็หลงหลงตั้งแต่ตื่นเออดีจิตขณะนี้เป็นยังไงตอนนี้ก็ตื่นเต้นหน่อยหนึ่งแ ล, <กด S 2> แล้วก็วดไว้กดเอาไว้ดู อ, อไหม รู้ไม่ออก ร, รู้สึกไห้ใจเรานิ่งๆทื่อๆนะนิง่งนิ่งเกินไปเราไปกดเอาไว้ไปบังคับให้นิง่งเรากลัวมันตื่นได้เลยกดไว้ไม่ดีเราต้องรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้ตามความเป็นจริงไม่ได้บังคับไว้นะตอนนี้บังคับอยู่ให้รู้ทันเอาครับมีอีกไหมใครอยู่วัดไม่ได้อยู่ความจริงอยู่ทุกคนนะตอนนี้อยู่ในวัดทุกคน <laughs> เ, เตรียมยกมือนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ <c oughs> เ, เบอร์แปดสบสกราบนรัรสการค่ะคือทีฉันยังไม่เคยปฏิบัติกับท่านกับหลวงพ่อคือกั้งอ่านเทปซีดีอะค่ะแล้วก็ปฏิบัติไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติมาถูกไหมก็ใช้ได้นะทำถูกหรือเปล่าค่ะถูกสิยอมเคยรู้ทันกิเลสไหมกิเลสโผล่ขึ้นมาเรารู้กิเลสโผล่ขึ้นมาเรารู้เห็นกิเลสบ้างไหมค่ะ <c oughs> เห็นกิเลสตัวไหนเยอะอตัวโลภหรือตัวโกรธหรือตัวหลงตัวไหนเกิดบ่อยอเอาของจริงนะของจริงไม่ต้องไปนึกหาคําตอบนะมันไม่ค่อยชัดเจนนะฮะที่เห็นบ่อยๆคือจิตจะดูจิตจะเฉยๆแล้วก็วิตกเออนั่นแหละให้รู้วิตกนั au ่นแหละนะจิตใจเราชอบวิตกเราก็รู้เอามันไม่เฉยหรอกจิตไม่เคยเฉยหรอกนะ ยกเว้นแต่เราไปเพ่งเอาไว้ให้นิ่งงั้นต่อไปนี้วิตกเกิดขึ้นมาเราก็รู้เห็นใจมันวิตกใช่แล้วแล้วเราก็เพีแค่รู้นะไม่หาทางทําให้หายรู้ทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นฝึกดูไปอย่างตอนนี้จิตไปคิดแล้วทราบไหมจิตไหลไปคิดดูออกไหมค่ะถ้าดูไม่ได้ก็ดูกายนะเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอน<ะ>เห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆดูจิตไม่ได้ดูกายค่ะ ดูจิตได้ก็ดูจิตเบอร์100่ร้อยขอบคุณค่ะกลาบนมาสการหลวงพ่อครับคือตอนนี้กระผมคิดว่าตัวเองต้องติดเพ่งแน่นอนแน่นอนถูกต้องขอบพระคุณครับคือกระผมพยายามเดินจงกรมมาได้สักพักหนึ่งนะครับอพอคิดว่าเราจะเดินจงกรมปุ๊บมันก็ปวด ต้นค อ, อ, องินไม่เอานะครับผมเออลยผมเลยอยากจะมากับเรียนถามหลวงพ่อขออุบายหรือว่าไปเดินเล่นไปเดินเล่นเออเดินเล่นนะเดินชมนกชมไม้แต่ระวังเดี๋ยไปเดินข้างถนนเดี๋ยวรถเหยียบเอาเดินชมนกชมไม้ไปนะปแล้วใจเราสบายเราก็รู้ใจเรากลุ้มใจเราก็รู้เดินไปแล้วใจลอยไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้นะครับไปฝึกเล่นเล่น ไปเดินเล่นนะครนะเดินเล่นแต่ไม่ใช้เดินเรื่อยเปื่อยนะใจลอยไปเรื่อยเดินคือพอเราคิดเรื่องปฏิบัติแล้วเรามาเดินจงกรมเนี้ยพอเริ่มเข้าทางจงกรมเราก็เริ่มเพ่งละครับบังคับตัวเองมันเครียดเครียดแล้วปวดหัวปวดไหล่ปวดคออะไรเงี้ยปวดลูกตานะครับก็ไม่ดีครับการภาวนาจริงๆคําว่าการเดินจงกรมจงกรมแปลว่าเดินเพราะฉั้นทุกก้าวที่เดินนะเดินไปแล้วเห็นร่างกายมันเดิน ใจลอยรู้ว่าใจลอยแค่นั้นเราก็เรียกว่าเดินจงกรมละส่วนเดินกลับไปกลับมานี่เป็นเดินในรูปแบบนะครับอาจจะเดินเลื่อยเปื่อยก็ได้ใจลอยไปที่อื่นหรือเดินทรมานตัวเองก็ได้ไม่ใช่เดินจงกรมที่แท้จริงไม่ได้มีสติเนะนื่องไปทําเล่นๆ น, นะครับผมเจ็ดนะเอาเบอร์หกคราบกับนวัสการหลวงพ่อนะคะฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณปีนึงนะคะแล้วก็ เริ่มปฏิบัตินะคะตอนนี้คิดว่าสติเกิดบ่อยขึ้ น, นะคะ่ะก็เห็นโทสะเห็นเห็นโกรธ เ, เห็นอิจฉาเห็นโลภแล้วก็เผลอบ่อยอเลินบ่อยค่ะล่าสุดเนี่ยไปเห็นว่าจิตมันเกิดเกิดดับดับนะคะความโกรธมันก็เกิดเกิดดับดับเห็นว่าพอมันโกรธสักพักนึงเนี่ย แล้วตามันก็วิ่งไปรับภาพหูมันก็วิ่งไปได้ยินกลับมารู้ลมแล้วก็กลับมาโกรธใหม่เห็นแบบนี้บ้างนะคะเห็นอย่างนั้นเลยดีแล้วละ่ะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะค่ะฝึกม า, านานเท่าไหร่แล้วเกือบปีค่ะ<อ>ใช้ได้แล้วนะขอบคุณค่ะสอบผ่าน42นำ้ำมัสการครับหลวงพ่อนี่เป็นครั้งแรกครับคือเมื่อตอนที่ผมได้อ่านหนังสือ ข, ของหลวงพ่อก็ เห็นอ่ะข้อความหนึ่งที่บอกว่าเมื่อพบจิตให้ทําลายจิตเมื่อพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้หลังจากนั้นก็ได้มดันดูดูที่จิตลงไปพอดูได้สักพักก็จะรู้สึกว่าจิตเนี้ยมันทุกข์เพราะว่ามันไปยึดอยู่กับสิ่งภายนอกวิ่งไปวิ่งมากระดับกระดับอยู่ตลอดเวลามันเป็นช่วงที่เร็วมากแล้วก็พอเรารู้สึกว่าจิตตอนนั้นน่ะมันมันรู้สึกว่ามันนิ่งอยู่เนี้ยพอเราดูไปอีกทีหนึ่งก็จะรู้ว่ามันก็เต็มไปด้วยด้วยทุกข์ ทุกด้วยตัวของมันเองอ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกที่แบบเบื่อหน่ายแล้วก็รู้สึกว่าน้ําตาจะไหลเหมือนกับว่าอยากจะปล่อยวางอยากจะเอออยากไม่ได้นะอยากก็ไม่ปล่อยแต่ว่ารู้สึกปล่อยวันนี้ก็ก็รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นเยอะมากวันเนี้ยรู้สึกว่าแต่ว่าคิดว่ามันคงยังยังไม่มีกําลังพอที่จะจะปล่อยได้เต็มที่ก็เลยอยากทราบว่า ที่ปฏิบัติอยู่นี้ถูกต้องไหมครับหลวงพ่อปฏิบัติถูกแล้วนะแต่คอยรู้ทันใจของเราอีกทีหนึง่งอี่ยพอเราถูกความทุกข์ครอบงําอำนะความเบื่อหน่ายความทุกข์ครอบงํานะให้เรารู้ทันลงรีอีกจนใจของเราเป็นผู้รู้ผู้ดูมีความเบิกบานเราก็เห็นจิตมันทํางานไปเห็นแต่ทุกร้อนร้อนไปด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางสังเกตไหม ใ, หใจตอนนี้มันไม่ตั้งมั่นไม่เป็นกลางนะให้รู้ตรงนี้แหละภาวนาได้ดีเฉละ่ะ เอาหนึ่งหกห้าพระนาเก่งนะวันนี้ยังไม่รีบทํำลายผู้รู้นะทําลายผู้รู้เราต้องเป็นพระนาคาก่อนถึงจะทําลายครับนะพอทําลายได้ก็เป็นพระอราหันต์ตอนนี้เอาผู้รู้ไว้ใช้ก่อนผู้รู้เหมือนเรือเอย่าเพิ่งล่มเรือนะให้ถึงฝั่งตอนนี้เราก็ดูเขาทํางานไปมีแต่ทุกขคุณดูออกแล้วโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกขนะ์ทุกอย่างมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลย เพียงแต่ว่าพอใจมันไปรู้ตัวนี้เข้ารู้ความจริงว่าโลกนี้เป็นทุกข์เท่านี้ใจมันยังยอมรับความจริงไม่ได้ใจมันยังปฏิเสธอยูนะ่ให้รู้ทันลงไปอีกจนวันหนึ่งใจเป็นกลางเห็นโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ด้วยใจที่เป็นกลางตั้งมั่นและเป็นกลางมันจะผ่านไปอา้าวต่อไปเชิญเนไม่คนใหม่ๆส่งันบ้านเก่งเยอะเลยนะน่าฟังคนเก่าๆเป็นไงบ้าง ชักฝอแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นนะคะอตอน<ห>ตอนเนี้ยตอนนี้ประคองอยู่หรือออกไหมไม่ออกค่ะรู้สึกไหมใจตอนนี้นิ่งกว่าปกติมันตื่นเต้นนะคะเออมันตื่นเต้นแล้วเราพยายามกดมันตื่นเต้นให้รู้ว่าตื่นเต้นนะไม่ต้องไปพยายามแทรกแซงหลักของการปฏิบัติก็คือใจเราเป็นยังไงรูร้ว่าเป็นยังงั้นหัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆไม่เข้าไปแทรกแซงมันฝึกไปนะใช้ได้แล้วล่ะ ที่ทําอยู่นี่มีแทรกแซงบ้างไหมคะกําลังแทรกแซงอยู่ตอนนี้กำลังไปกดให้ใจนิ่งๆปกตินะเวลาเราไปรู้สภาวะเนี่ยมันอดแทรกแซงไม่ได้หรอกเช่นพอเห็นกิเลสมาะเราก็เกลียดมันเห็นกุศลมาเราก็รักมันเห็นความสุขมาเราก็รักมันเห็นความทุกข์มาเราก็เกลียดมันใจมันอดที่จะยินดียินรไลไม่ได้ ถ้าใจยินดียินร้ายขึ้นมาก็แค่ให้รู้ทันลงไปว่ากําลังยินดีอยู่กําลังยินร้ายอยู่รู้เฉยๆเขาจะหายไปเองอย่างเมื่อกี้ใจหลงไปคิดทราบไหมมันลืมตัวเองไปนะลืมตัวเองไปบูบหนึ่งคอยรู้สึกเอานะไปฝึกเอาเบอร์หกอยู่ข้างหน้ามาข้างหน้าส่งมานมัสการหลวงพ่อครับมาไกลครับมาจากภูเก็ตรครับอเออ มีเหตุให้เริ่มมาฝึกรู้เมื่อต้นเดือนหนึ่งครับก็ทำมาได้สัก2ี่กว่าวันนะครับหลวงพ่อครับก็เลยอยากจะมากราบเรียนพระอาจารย์ว่าที่ทำมาทามาถูกแล้วยเริ่มตื่นแล้วนะถูกครับแล้วมีคำถามหนึ่งครับอาจารย์ครับบางทีเนี่ยพอเรารู้มันก็เหมือนมีเสียงภาคในหัวเคยเคยฟังอาจารย์อธิบายแต่ว่ามีอุบายแก้ไหมครับห้ามไม่ได้นะ คือเราภาวนาเนี่ยไม่ได้มุ่งแก้อะไรทั้งสิน้นภาวนาเพื่อให้เห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตใจตามความเป็นจริงอย่างจิตพอรู้แล้วจิตต้องคิดใช่ไหมต้องพูดสังเกตต่อไปอีกชั้นหนึ่งเราก็จะชนะมันได้ไม่ใช่ห้ามไม่ให้พูดนะแต่เราเห็นว่ามันพูดได้เองรู้สึกไหมมันพูดเองเนี่ยอย่างสมมติว่าคุณสุเมศนั่งนั่คุณสุเมศนะ เ, เขาพูดเนี่ยเราเห็นแล้วคุณสุเมพูดได้เองมันไม่ใช่เราหรอกเนี่ย เห็นไหมไอตัวที่มันพูดได้เองมันพูดของมันเองรเรียนรู้ลงไปเรงนี้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันเลยไม่ใช่ไปเกลียดมันนะมันกำลังแสดงไตรลักษณ์ให้ดูถ้าเราไปเกลียดมันก็คือเราเกลียดครูของเรานะครับดีแล้วละไปฝึกอีกนะแต่ว่าอย่าประคองใจให้นิ่งนะตอนนี้ประคองอยู่ใช่ไหม เหมือนจะทราบครับเผอพอเหมือนเหมือนเนอะไม่แน่ใจเหมือนไนครับใจมันนิ่งกว่าความเป็นจริงถือออกไหมครับนเพอเราไปกดไว้แล้วแล้วผมนี้มีติดเพ่งมีอะไรบ้างไหมครับอาจารย์ครับไม่ไม่มากเท่าไหร่พอใช้ได้นะหัดดูความรู้สึกทั้งหลายไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ทันใจไปเรื่อยๆนะสาธุหนึ่งหนึ่งสี่โอ้วันนี้คนมาใหม่ๆฝีมือดีเยอะเลยพวกเก่าๆอิจฉาไว้ อิจฉาแล้วรู้ว่าอิจฉาเอาว่าไปนับมาศการหลวงพ่อค่ะหนูไม่ใช่คนใหม่อะค่ะเคยส่งกันบ้านแล้วแต่เมื่อกี้มันลืมตัวค่ะขาดสติไปไม่เป็นไรเอา้าหลวงพ่ออนุ ญ, ญาตให้ถามได้ใช่ไหมคะเออถามไปส่งกันบ้านเมื่อเดือนมกราคเคยเห็นไหมจิตเราก็เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเปลี่ยนไปอะค่ะเออนะดีแล้วละภาวนาเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมมันอยู่ห่างๆโลกมันอยู่ห่างๆแล้ว รู้สึกว่ามีความเป็นกลางมากขึ้นหลังจากที่หลวงพ่อบอกว่าอย่าอย่าไปโกรธ่ะคะแล้วก็เลยคอยดูเวลาที่ไม่เป็นกลางแล้วก็ไปโกรธไพยายามแทรกแซงะคะ่ะรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นกลางมากขึ้นอืแต่ว่าไม่รู้มันจะข้ามขั้นไปหรือเปล่าค่ะหลวงพ่อคือมันเริ่มเห็นโลกมันน่าเบื่อะค่ะไม่เห็นเป็นอะไรเลยรู้สึกไปไงั้นแหละแต่มันยังเบื่อเบื่ออยากอย<ร>ากนะมาดูไป เมื่อก่อนถ้ามีความสุขมันก็ไม่เบื่ออถ้ามีความทุกข์มันจะเบื่อแต่ตอนนี้แม้แต่ตอนเวลาที่น่าจะมีความสุขมันก็ยังเบื่อนั่นแหละมันฉลาดแนละ้วแต่เดิมเราหลงนะเราหลงว่าโลกนี้ดีวิเศษมีความสุขตอนนี้เรามีสติมีปัญญาเราเห็นนะ้ความสุขก็น่าเบื่อเพราะความสุขก็คือทุกข์นั่นแหละรู้สึกไหมรู้สึกค่ะนั่นแหละความสุขก็เป็นทุกข์อันหนึ่งนี่เราฝึกนะของคนฝึกได้ดีแล้วลนะ่ะขยยันดูไปเรื่อยๆแต่ไม่รีบร้อน 76ห็หวันนี้เก่ง<ๆ>เก่งเยอะเลยเจอยู่ที่ไหนยกมือไว้ระวังนะพวกที่เรียนมานานๆแล้วขี้เกียจ น, นะระวังนะแต่ก็ไม่ได้บอกเพื่อให้ท้อแท้ใจนะรัต <c oughs> ไหนอยู่ไหนเออว่าไป กราบนมัสการหลวงพ่อครับมาครั้งแรกครับตอนนี้ตื่นเต้นนิดหน่อยครฟังสีดีพระอาจารย์มาสักพักนึงแล้วก็รู้ตัวเองว่าจิตวัยอะฮะแล้วก็รู้แล้วก็ดับแต่หลังจากนั้นมาพอมันรู้อีกทีมันรู้สึกแบบดูแล้วแบบดูใช่แช่อะเออแช่แช่เนี่ยจงใจไปรู้มากไปนะรู้แล้วทิ้งไปเลยรู้แล้วทิ้งนะก็และอย่างก็คือผมไม่เป็นคนที่ไม่ทําสมาธไม่ค่อยเก่งอะฮะทำสมาธิไม่เก่งก็ดูใจของเราแี้แหละหมอะล้ จิตใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูออกไหมนะตามดูมันไปเรื่อยๆนะดูอย่างสบายๆายเดี๋ยวใจมันสงบเองอะแล้วพอรู้พอสงบสักพักหนึ่งแล้วมันก็เหมือนจะเผลอๆอฮะเผลอไปอีกก็รู้ว่าเผลอไปดีกว่าเพ่งเอาไว้แต่ถ้ากับ ว, ว่าเผลอแล้วหลังจากนั้นพอมันมีภาคกนะ็คือเป็นเรื่องธรรมดาอะไรนะพูดใหมายซีนมีเสียงภาคตามมานะั่นแหละมันก็ภาคทุกคนหลยนะ แต่ว่าพ อ, พอสภาพักแล้สักพักนึงมันก็เหมือนว่าเหมือนเราเป็นผู้กำกับที่บอกว่ารู้บทหมดแล้ ว, ว่เหมือนบอกว่าดูละครแล้วบอกอ่านเรื่องย่อมาแล้วมันก็รู้สึกแบบมันไม่ไม่ไมสนุกฮะแล้วแล้วมั น, มนก็จะดุเบืออย่าขี้เขียนนะอย่าให้ปัญญามันล้ำหน้าไปอย่าไปคิดล้ำหน้าไ ป, ไปเราพยายามอดทนดูสภาพที่กำลังปรากฏในปัจจุบันนี้บ่อยๆต้องทนทนดูหน่อยนะไม่งั้นเราคิดล้ำหน้าไปเดี๋ยวมันก็ดับอย่างงี้ยไอ้นอนเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวนี้ก็ดับแล้วเราคิดอย่างนี้นะต่อไปเราไม่ยอมดูอะไรเลย อย่างนั้นเลยไม่ได้ภาวนาและอย่างเริี่อย่างผมยังควรจะไปของคุณนะช่างคิดอยู่แล้วล่ะไปดูจิตเอ า, า, เ, อาเบอร์สองหนึ่งค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้มาวัดครบรอบปีพอดีเพราะมาครั้งแรกเมื่อ26่สิบเมษาปีที่แล้วเ<น>พราะวันเกิดอันนี้คืออยากพูดกตัวค่ะว่าอยากพูดเออดีที่รู้แต่ว่าไม่เคยได้ส่งการบ้านพระอาจารย์ตรงนี้ค่ะก็ ก็ค like <that> ือเดิมเนี่ยฟังอย่างเดียวคิดว่าไม่จําเป็นต้องมาก็ได้แต่ก็รู้สึกว่าคือฟังอย่างเดียวก็ได้ได้รู้สติตอนที่ฟังแต่ทั้งวันเนี่ยไม่รู้เลยแต่ว่าก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากขึ้นคือไม่หงุดหงิดกับตัวเองมากขึ้นกว่าเหมือนแต่ก่อนพอช่วงหลังก็รู้สึกว่าในในระยะเวลาในชีวิตประจําวันไม่รู้สึกตัวก็เลยมาเข้าคอร์สกับบังประกงเพื่อรู้สึกว่าตัวเองจะต้องปฏิบัติบ้างให้จริงจังบ้างค่ะแต่ทีนี้พอ ก็เลยตั้งใจว่าจะเดินจงกรมวันละสิน า, าทีเริ่มมาได้ประมาณเดือนหนึ่งพอพึ่งเข้าคอร์ดแต่ทีนี้ช่วงแรกเนี่ยก็คือเหมือนเดินแล้วรู้ตัวนะก็คือรู้ตัวแต่ว่าพอพอตั้งใจใช่ไหมคะพอทุกวันก็ต้องทําพอช่วงวันหลังๆเป็นกายเป็นว่าไม่รู้ตัวคือเดินหลงไปเลยค่ะไม่เหมือนครั้งแรกๆที่เดินที่จะรู้สึกตัวเลยไอ้นั่นเรารเดิน ต, ตามปณิธานแนละ้วเดินให้มันหมดเวลาไปเท่านั้นเองนะใช่เลยหนูจะทํำยังไงดีอะ พยายามฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันนี้ให้เยอะๆด้วยนะแล้วก็ไปเดินหรือว่าถ้าเดินแล้วมันเบลอหลงเรื่อยๆนะไปนั่งนั่งสวดมนต์ไปก็ได้นะอะไรหังซัมมาอะไรเงี้ยแล้วก็ดูใจที่ไหลแวบบแบแบวถ้าเราฝึกรู้ทันใจที่ไหลไปคิดเรื่อยๆมันจะรู้สึกตัวได้เร็วนะนี่เราไม่ได้ฝึกที่จะรู้ทันสภาวะเราเราจะจะเดินเอาเวลา15นาทีอย่างเงี้ยเราไม่ได้เน้นที่จะคอยรู้ทันว่าจิตไหลไป เราก็หลงไปสิบนาทีหมดเวลาสบายใจแล้ววันนี้ได้ปฏิบัตินะ ไ, <อ>ไปฝึกเอาใหม่นะฝึกรู้จิตที่แอบไปคิดรู้จิตที่ไหลไปคิดอนะคอยฝึกสวดมนต์ก็ได้อะไรก็ได้เดินจงกรมก็ได้เดินแล้วจิตไปคิดเรารู้จิตไปคิดเรารู้อย่างตอนนี้จิตไปคิดแล้วรู้สึกไหมค่นะแล้วฝึกอย่างนี้นะมันถึงจะไม่หลงรอยี่ <12 3. S 2> ยสิบสามนรมาสปาร์นครับผมพ่ อ, อ, อย่างผมนี่เหมาะจะดูกายเลยดูจิตไปเลยช่างคิดจะตายแล้วไงอยากได้วิหารธรรมครับดูจิตไปเห็นจิตเคลื่อนไหวเห็นจิตเปลี่ยนแปลงนะรู้ความรู้สึกไปอย่าไปคิดว่าจะดูจิตดูอะไรความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเรารู้รูปเดียวเลยแล้วก็จิตวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวหลงไปที่ตาหลงไปที่หูอะไรก็คอยรู้ทันเอา ร, <นะ S 1> รู้สองงานอั น, นหนึ่งรู้ความรู้สึกอันนึงรู้กิริยาอาการของจิต อย่ตอนนี้จิตวิ่งมาที่หลวงพ่อแล้วรู้สึกไหมไี่ค่อยรู้ทันไม่ประคองให้นิ่ง ร, รู้ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเอาร้อยห้าอยู่ทางนูน้นกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะคือก็ฟังซีดีมาแล้วก็ฝึกแบบไม่ไม่ค่อยต่อเนื่องค่ะอยากทราบว่าของตัวเองนี่ควรจะดูจิตหรือดูกาย <c oughs> ต้องฝึกให้ต่อเนื่องนะ จะดูอะไรก็ได้ดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้แล้วแต่สติจะระลึกสติมันระลึกเองว่ามันจะรู้กายหรือมันจะรู้จิตแต่เราต้องซ้อมให้สติเกิดเบื้องต้นหาอะไรไว้สักอย่างหนึ่งก่อนเพื่อจะได้รู้ทันจิตปกติจิตของเราเนี่ยร่อนเร่ตลอดเวลาวิ่งไปวิ่งมาตลอดดูออกไหมจิตมันหนีเที่ยวตลอดเวลาดูยากงั้นเราต้องหาเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งมาสมมุติว่าพัดนี้เป็นที่อยู่ของจิตพัดในสมมูงว่าพัดนี้คือพุทโธพัดนี้คือลมหายใจพัดนี้คือท้องพองยุบ พัดนี่คือเดินจงกลมหาเครื่องอยู่มานหนึ่งเนาะแล้วเราก็ค่อยรู้ทันจิตไปเช่นเราสวดมนต์ไปเราหังซ้ำมานะจิตเรามาอยู่กับคําสวดมนต์เราก็รู้จิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ห ร, รือเราหายใจออกหายใจเข้ารู้ลมหายใจอยู่พัดนี่เป็นลมหายใจจิตวิ่งไปอยู่ที่ลมเราก็รู้จิตนี้ไปคิดที่อื่นเราก็รู้สมมติพัดนี้เป็นท้องผ่องยุบเนาะจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้จิตหนีไปก็รู้เนี่ยฝึกอย่างนี้บ่อยๆต่อไปเราจะเห็นจิตได้ชัด จิตขยับนิดนึงเราก็เห็นนะจิตรู้สึกยังไงนิดนึงเราก็เห็นนะแ้าสติมันจะเกิดขึ้นมาพอจิตมันขยับมันหลงไปแล้วเรารู้ทันมัน่อรู้สึกตัวถัดจากรู้สึกตัวแล้วคราวนี้สติบางทีก็ไปรู้กายบางทีก็ไปรู้จิตเอาแน่ไม่ได้ไม่เลือกแล้วเบื้องต้นอนะ่ะเลือกมีอารมณ์ไมาให้อันหนึ่งก่อนนะอะไรก็ได้กายก็ได้จิตก็ได้ส่วนมนุก็ได้อะไรก็ได้แล้วค่อยรู้ทันจิตที่หลงไป พอเรารู้ทานจิต ท, ที่หลงได้ชํนานาญนะพอต่อไปพอจิตหลงปุ๊บมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาเองพอรู้สึกตัวปั๊บแล้วคราวนี้บางทีสติรู้กายบางทีสติรู้เวทนาคือความสุขความทุกข์บางทีรู้กุศลอกุศลบางทีรู้ตัวจิตมันรู้เองเลือกไม่ได้ละไม่มีสายไหนสายไหนอีกต่อไปละเราะั้นพอมีสติแล้วนะเราไม่พูดแล้วว่าสายกายสายจิตเลยไม่มีแล้วมีแต่ว่าขณะนี้มีสติหรือขณะนี้ขาดสติอย่างตอนนี้ขณะนี้ขาดสติรู้สึกไหม มันเบลอเบ ล, อ, เลอหายไปเลยลืมกายลืมใจระมัดระวังอันหนึ่งคือการเพ่งของคณจะติดเพ่งนะต้องระวังไว้เพ่งเกิดจากจงใจจะไปดูมันสังเกตไหมตอนเบลอร้อนเมื่อกี้เนี่ยใจคลายเห็นไหมเสร็จแล้วพอคิดถึงการปฏิบัติสัมรวมใจก็แน่นอย่างเดิมเลิกสัมรวมไปเลยแล้วทำยังไงให้มันไม่แน่นนะคะทำตัวเป็นลิงไว้สนส น, สนไว้เพราะตัวจริงอะสนนึก อ, ออกไหม แต่ว่าเรากดไว้ใช่ไหมเราไปกดไว้ไปเป็นดิงซะนะสนสอนไว้เห็นไหมใจจะคลายออกแล้วหลวงพ่อบอกให้สนไปกดไว้หาอะไรไม่ดีนะก็เวลาพอพอหลวงพ่อบอกเอาวเริ่มฝึกก็ตึงไว้เลยงเงี้ยเออไม่เอาเพราะคิดถึงคําว่าฝึกปฏิบัตินะอุ้ยต้องเป็นลิงไว้ก่อนต้องอย่างนี้นะเออแล้วเราก็ดูจิตายดูใจมันทํางานไปจำไว้นะแต่ละคนไม่เหมือนกัน อย่งจูเนี่ยต้องภาวนาบนต้นไม้พอดีนี่ลิงยิ่งกว่าคุณอีกลิงอยู่ตามพื้นไม่ค่อยได้นะไม่ใช่ลิงกุงลาบอุตังน้ลิงอยู่บนต้นไม้ได้ปีนได้ไป่ายแล้วภาวนาดีเอ้าต่อไปคนเก่าๆ เ, เชิญยกมือ89ชูไว้เผื่อไม้มันจะไปหาบางคนก็ยกไปอย่างนั้นแหละไม่ได้มีความจําเป็นต้องถามรถารรมากาหลวงพ่อครับ ช่วงนี้รู้สึกว่าดูสภาวะได้ชัดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าจิตมันดูได้สบายขึ้นแต่ก็ยังมีกฎอยู่ครับถูกต้องนะรู้อย่างที่เป็นนี่แหละดีแล้วรเรียนไปวันหนึงก็เห็นใจ ร, รับเห็นไหมจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเองเห็นไหมถ้าไปแทรกแซงเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นนะมีความอยากขึ้นเมื่อไห่ก็ทุกเมื่อนั้นนะให้ผมกลับไปดูตัวอะไรต่ออะไรนะให้ผมกลับไปดูตัวอะไรต่อครับอะไรโนะผล่ลขึ้นมาให้ดูดูตัวนั้นแหละพอสติเรามีแล้วนะมันจะรู้เองแล้วว่าจะมีอะไรให้ดู ดูตัวที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในปัจจุบันครั บ, รบ <นะ S 1> ขอบคุณคุณครับยังในหลวงท่านเคยถามหลวงปู่ดูล น, นะว่ากิเลส น, น่าจะดูตัวไหนก่อนหลวงปู่ดูลบอกตัวไหนกาลังปรากฏอยู่ก็ดูตัวนั้นแหละ39กอยู่ข้างหน้าข้างหน้ากราบนมัสการหลวงพ่อจ้ะค่ะเมื่อตอนเดือนกุมภาพัานธหนูได้ได้มากราบขอกันบ้านหลวงพ่อว่า ขอเป็นเครื่องอุ่นใจหลวงพ่อเมตตาชี้แนะว่าให้หนูไปดูความฟาุ้งซ่านเพราะจิตไม่ตั้งมัน่นหนูก็เลยกลับไปดูตัวนี้ก็จากที่เคยเห็นไหลไปคิดไม่มากก็เห็นเยอะขึ้นค่ะแล้วหนูก็ดูตัวอื่นๆประกอบกันไปหนูรู้สึกแมมจิตเราดีขึ้นค่ะทราบค่ะนะดีแล้วล่ะทำถูกแล้วไปดูอย่างเนี้ยดูอีก ดูต่อไปนะคะใช่ทำถูกต้องหลวเพ่อคะหนูกลับยนถามอีกนิดนึงว่าสมมุติว่าเวลาที่เราต้องคุยกับผู้คนเนี่ยค่ะแล้วเราก็ชอบหลงเราใช้วิธีว่าทําความรู้สึกตัวเป็นระยะระยะได้ไหมคะได้ไ ด, ได้แต่ถ้าไม่จําเป็นต้องคุยเราก็เฉยเฉยนะพระพุทธเจ้าสอนเบื้องต้นท่านบอกไม่ให้คลุกคลีมากถ้าคลุกคลีก็ต้องคุยใช่ไหมคุยเราก็ฟุ้งง่ายแต่ถ้าจําเป็นเราอยู่กับโลกเราไม่พูดไม่ได้จําเป็นต้องพูดเราก็ค่อยรู้สึกเป็นระยะระยะไป คุณพ่ออีกทีนึงค่ะเออมีบางทีที่หนูรู้สึกตัวขึ้นมาว่าหนูหลงไปคิดนะคะ ร, รู้สึกมันมีความสุขขนาดยิ้มออกมาเลยค่ะได้แล้วแต่บางทีก็เฉยๆอยะค่ะเออนะมันมีสองงานไงจิตที่เป็นกุศลนะเนมื่อช้าบอกแล้วมีโสมนัสมีความสุขก็มีอุเบกขา แ, แต่อย่าให้แข็งนะถ้าพอรู้สึกแล้วแข็งแข็งแน่นๆอย่างเงี้ยแสดงว่าเพ่งไว้ละไปบังคับอันนี้เรียกว่าสติเกิดแล้วใช่ไหมสติเกิดแล้วากลนะับของคุณค่ะเบอร์ห้ของคุณเปลี่ยนไปเยอะนะของคุณ ข้างหลังแต่เติมฟุ้งอย่างรุนแรงเลยบอกให้ไปดูฟุ้งแล้วไม่ดื้อไปดูดูดีเห็นไหมชีวิตจิตใจเราเปลี่ยนไปตั้งเยอะแล้วมีความสุขกราบนำสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือการบ้านล่าสุดหลวงพ่อให้หนูพยายามรู้สึกเข้ามาที่กายนะเจ้าค่ะให้ให้ใจมันเข้ามาอยู่ที่กายเจ้าค่ะหนูก็พยายามรู้สึกเข้ามาเรื่อยๆเจ้าค่ะไม่ทราบว่าใจเข้ามาอะไรยังก็รู้สึกไหมว่าสบายขึ้นรู้สึกสบายขึ้นเจ้าค่ะนั่นอมันหลงหลงไปเรื่อยนะ เคยรู้สึกยังต้องทําอีกทําไปเรื่อยๆเจ้าค่ะนะทําต่อไปอีกเจ้าค่ะคือจะมีปัญหาเวลาอยู่ในที่กว้างๆเจ้าค่ะมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าทําให้กายเราเบาแล้วก็เหมือนกับว่าเราไปเพ่งบรรยากาศหรือเปล่าเจ้าคะใช่เราไปเพง่งนะกายก็เบาใจก็เบาเป็นสมถะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นมันเบารู้ว่าเบามันหนักรู้ว่าหนักนะเจ้าค่ะแล้วก็คือต้องพยายามรู้สึกเข้ามาที่กายเหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ใช่เพราะฉะนั้นใจมันจะไหลไปแช่ว่างๆอยู่ข้างนอกเจ้าค่ะ แต่ว่าไม่ทราบว่าเข้ามาเต็มเต็มกายหรือยังเจ้าค่ะใจดีขึ้นแล้วล่ะดีขึ้นแล้วอย่าพยายามดึงนะเดี๋ยวกลัวว่าเข้าไม่เต็มที่ไปดึงเลยเสียเลยอ๋อเจ้าค่ะให้มันเข้าเองอ่ะเจ้าค่ะเอาเบอร์เบอร์สิสี่อยู่ไหนนัดจบยังอีกนิดเดงเจ้าค่ะมาว่าไปคือจากการภาวนาที่ผ่านมาเจ้าค่ะคือหนูหนูเริ่มรู้สึกว่าอจิตมันเป็นคนละดวงกันนะเจ้าค่ะใช่นั่นแหละภาวนาเป็นนะไม่ต้องเห็นเป็นคนละดวง เจ้าค่ะแล้วของหนูต้องเพิ่มเติมตรง ไ, ไหนไม่ไมต้องทำไปอย่างที่บอกให้ทำเนี่ยคอยรู้สึกกายเลยเนยเจ้าค่<น>ะแต่เพิ่มเจ้าค่ะอ้าวต่อไปเบอร์อะไรสิบสี่อยู่ข้างหน้าข้างหน้าเก่านมัสการหลวงพ่อครับ เ, เมื่อช่วงสงการผมได้มีโอกาสไปอยู่ในวัดป่านะฮะอตอนตอนที่ปฏิบัติเดินจงกรมอยู่มันเห็นจิต ด, ดับแล้วก็เกิดดับ แล้วก็เกิดเวลาดับมันลงพผวังเอแล้วก็ขึ้นมามันก็มันเกิดความรู้สึกอ๋อมีอย่างนี้ด้วยแล้วก็แล้วก็ดูดูไปสักพักหนึ่งนอกจากเห็นอาการเกิดดับมันจะเห็นความรู้สึกตัวเนี่ยมีชัดแล้วก็มีจางจางแล้วก็เหมือนจะรู้แต่จริงๆไม่รู้แล้วก็ชัดใหม่จะชัดจะจางเดี๋ยวมันก็ชัดเดี๋ยวมันก็จางแล้วมีอีกตัวหนึ่งชัดมากเกินไปครับเวลาเราความรู้สึกแรงไปจะชัดชัดอันนั้นชัดเยอะไป แล้วชัดธรรมดาธรรมดาพอพอมันเห็นอย่างนั้นปุ๊บมันก็เห็นมันก็อ่ออีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ได้ไปคิดอะไรนะฮะนนี้มันไม่เห็นความฟุ้งซ่านตัวหนึ่งแล้วก็พอฟุ้งเสร็จปุ๊บมันไปเห็นความรู้สึกฟุ้งซ่านอย่างอย่างธรรมดานะฮะพอเห็นปุ๊บมันเกิดอาการเหมือนปิดสวิตดับปุ๊บแต่มันมีความรู้สึกมันมีตัวรู้ความสภาพความดับนั้นเออพอมันดับเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่ง ตาผมตอนนั้นมันก็หลับไปแล้วมันก็มีแสงวิ่งเข้ามาที่ตาสว่างมากจนแม้กระทั่งตาที่หลับอยู่ยังเกิดอาการสั่นพอมันจากนั้นได้แป๊บเดียวจิตมันก็เหมือนพุ่งแล้วมันก็เปิดออกปั๊บแล้วมันก็เกิดอาการเรียบสนิทอาการเรียบสนิทมันจะเป็นลักษณะที่ว่ากายและใจนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสภาพแวดล้อมทั้งหมดไม่มีความแตกต่างมันอยู่เรียบสนิทอย่างนั้นอยู่อีกแป๊บหนึ่งหลังจากนั้น มันก็เกิดปิติขึ้นสองครั้งเกิดสองครั้งแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ไม่เห็นจะมีอะไรเป็นปกติของมันผมก็นั่งเดินเจริญสติไปเรื่อยๆนะฮะแต่มีที่เปลี่ยนแปลงอยู่นิดเดียวก็คือมันเห็นอาการจงใจชัดเจนแล้วมันไม่เอาอาการจงใจมันก็จงมันก็กลายเป็นว่าผมปฏิบัติเหมือนคนปฏิบัติไม่เป็นแล้วก็รู้มาว่าที่ผ่านมาจงใจ 100% ยต์เปแต่จงใจมากจงใจน้อยจงใจมากจงใจน้อย แล้วมันก็เห็นอาการความร้อนของไอตันหาที่มันลงไปจงใจเนะี่ยมันเกิดความไม่เอาเออแต่มันมีอาการหนึ่งที่ผมก็รู้ว่าผมทําไม่ถูกแต่ไม่รู้จะทําไงคือไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะปฏิบัติตยังไง<ด>ตั้งแต่ตอนนั้นประมาณตอนเช้า<ด>จนถึงตอนคืน<ด>ก็อยู่ในอาการกระสับกระส่ายไม่รู้จะ<ด><ด>ทำตัวยังไง<ด>ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงก็รู้ว่ากระสับกระส่ายครับแล้วก็ดูอาการที่ดิ้นที่ดิ้นของจิตที่กระสับกระส่ายพอมาจนถึงตอนกลางคืนปุ๊บก็นั่งๆเจริญสติไปก็เห็นไออาการกระสับกระส่ายตัวนี้ ก็เลยนึกไดใจไม่ทําละขี้เกียจทําก็เลยนั่งนั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตามฟอร์มแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรนะฮะพอทํานั้นเสร็จปุ๊บจิตมันรวมอีกครั้งหนึ่งแล้วมันเกิดอาการอีกอาการหนึ่งที่ว่าจิตมันยิ้มได้อืจิตมันยิ้มเสร็จปุ๊บมันเกิดอาการที่ว่าจิตมันเห็นทางแต่ทางเนี่ยที่ผมรู้สึกเห็นเนี่ยมันไม่ได้เห็นด้วยตาแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยการคิดแต่มัน ที่ผมรู้สึกเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติเพื่อตัวเราอืแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อคล้ายๆกับว่าจิตจากนี้ไปการปฏิบัติจิตมันจะไหลไปของมันเองอยู่แล้วไม่ต้องไปแทรกแซงอะไรมันเลยลักษณะถ้าเปรียบเทียบมันจะคล้ายๆกับที่หลวงพ่อเคยเทศเรื่องว่าจิตนี้มีธรรมชาติไหลลงสู่มหาสมุทรถ้าไม่ติดข้างนู้นข้างนี้ไม่ติดน้ำวนมันจะไปลักษณะมันจะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นสติมันก็ รู้แล้วว่าความร้อนจากการจงใจเป็นยังไงแต่ยังไงมันก็ยังเลิกจงใจไม่ได้มันต้องจงใจมันพอพอมันเป็นอย่างนี้มันก็รู้มันก็เห็นไปเรื่อยๆอย่างบางทีเวลาเดินจงกรมเนี่ยพระราเห็นว่ากายนี้เดินไปแล้วก็ใจนี้เดินไปพร้อมกับกายอย่างเงี้ยมันจะเห็นอาการแยกกันเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าที่เห็นก็คือเวลาเห็นจิตมันเกิดดับไปเป็นธรรมชาติจริงมันเหมือนตอนเดินจงกรมตัวมันหายตัวได้มันปั๊บปั๊บ มันจะเหมือนกับว่าเวลาเดินเดินเนี่ยมันจะเหมือนกับเราเดินข้ามสะพานแต่สะพานข้างหลังเนี่ยมันพังตลอดเวลาเอแล้วข้างหน้าไม่มีทุกครั้งที่มีมันจะมีแค่สะพามะมารองรับนขณะนั้นนขณะนั้นนขณะนั้นตลอดเวลาแล้ววันนี้จิตมันก็ละเอียดขึ้นอย่างบางทีผมอย่างเมื่อกี้ผมมองหน้าแฟนผมเนี้ยครั้งแรกผมจําหน้าไม่ได้อืแต่จังหวะที่จําหน้าไม่ได้ผมก็เห็นสัญญามันทางานขึ้นมาปุ๊บอ๋อนั่นแหละตอนที่ตาเห็นรูป่ยังไม่มีสัญญาครับใช่ไหม สัญญาเป็นฟูดขึ้นมาก็แปลออกมาแล้วมีสังขารปรุงต่อไหมน่ารักหรือน่าเกลียดอ๋อไม่มีฮะแต่มีสังขารเบาๆตรงที่ว่าสัญญาจําได้แล้วมันก็ปรุงแล้วมันก็ปุง่งขึ้นมาอ๋อที่แฟนเราอืมอ่าฮไปภานาอีกนะครับทํำอีกทำไม่พอครับทํำอีกสังเกตไหมมันยังมีความรู้สึกเป็นเราไหมมีถูกต้องดีนะที่ไม่เชื่อมันมันไม่ใช่เกิดอ ร, ริยะมรพอพอพ อ, พอดูก็รู้สึกว่าถูกหลอก ใช่แต่แต่มันเหมือนหลอกหลอกไม่เต็มหลอกๆจริงๆเนี้ยมันเอาความจริงมาให้ดูนั่นแหละครับผมถ้าเราหลงตามมันนั้นก็เป็นวิปัสสนูครับถ้าเรารู้เราก็เดินต่อครับรู้สึกไหมมันมีความเป็นเราอยู่มีน่าเก่งชัดเจนโอ้ยอดเยี่ยมต้องพอนามต้องให้ได้อย่างนี้นะครับยังมีกิเลสอยู่ก็รู้ทันอยู่มันจะมีมันจะมีบางทแล้วหลวพ่อฟังบรรยายนึกก็จะมาบอกหลวงพ่อว่าได้ธรรมะแล้วมันจะมีบางขณะที่สติดีจริงๆมันเห็น ความรู้สึกว่าเป็นตัวเรามันตัวระดับปุ๊บภายในระยะเวลาที่มองไม่เห็นเลยว่ามีตัวเราเกิดออแต่บางทีตัวเราจะเกิดค้างยาวไม่แน่ไม่นอนเออดีดีที่เห็นนะไปพาณนาอีกวันนี้ภาวนาเก่งๆ เ, เยอะเลยสงสัยตรวจกันบ้านได้ไม่หมดเรอที่เรียกมาที่ยังไม่ได้เรียกก็อีกเยอะเลยของคุณต้องไม่ประคองไว้นะมีการประครับประคองไวนะ้แล้วไปดูตัวมานะอัตตานะมันจะพุดได้ชัดแนละ้ทีเนี้ย ใครไปรู้ตัวนี้เอาเก้าเก้ามาสกการท่านอาจารย์เจ้าค่ะดิฉันปฏิบัติมาสองปีเจ้าค่ะแต่ว่าไม่ได้ส่งกันบ้านมาสิบเดือนอออไม่ทราบว่าขอโอกาสท่านอาจารย์เมตตาดูว่าจะต้องแก้ไขยังไงคะไม่แก้นะแต่ทำบ่อยๆทำสม่าเสมอนะแล้วก็รู้กายรู้ใจสบายๆอย่าไปกดไว้ตอนนี้กดลปล่อยมันทางานแล้วตามรู้เล่นๆไป ที่ภาวนานก็ดีเนี่ยสบายขึ้นนั่งเยอะแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่นะแต่ว่าใจเราพอใจเราสบายแล้วใจเราไปเคล้าเคลียในความสุขความสบายเราไปพอใจให้รู้ทันว่าพอใจถ้าไม่รู้เราก็จะติดอยู่ในความสุขนะระวังนะมันจติดความสุขค่ะขอบพระคุณจังค่ะห้าสิบสอการนมัสการค่ะลุงพ่อคันไม่ได้ส่งกำบ้ามาแล้วหเดือนนะคะครั้งที่แล้วหลุงพ่อบอกว่าให้ทําในรูปแบบเพิ่มขึ้น ก็ไปไปปฏิบัติสวดมนต์แล้วก็เดินจงกรมเพิ่มขึ <ederim> ้นก็มีความรู้สึกว่าแบบในชีวิตประจำวันก็จะแบบเห็นกิเลสเพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็จะรู้ตัวไวขึ้นกว่าเก่านะคะแต่คราวนี้คือมีลูกชายมาด้วยค่ะลูกชายอยากส่งกันบ้านแต่ก็กลัวกลัวกะกลาไหนไหนกี่ปีแล้วกี่ขวบ1ิบขวบกับประมาณ5้าขวบเด็กผู้หญิง9้าขวบยังกล้าส่งกันบ้านเลยลูกเขาก็สวดมนต์ประมาณวันละนาทีค่ะ ให้วสวดมนไปใครรู้ทันใจของตัวเองไปอย่างตอนนี้ใจมันเขินหนูก็เขินใจเป็นใหญ่ก็รู้ลงไปเลยอขอบคุณค่ะเอาหวยส่งกันบ้านยกมือกราบดมัสการหลวงพ่อค่ะตอนนี้ก็เห็นจิตมันตื่นเต้นแล้วมันก็กลัวๆแล้วก็เกรงใจที่จะส่งกันบ้านหลวงพ่อด้วยค่ะแล้วก็มีโมหะค่ะแล้ว อ, อย่างช่วงที่หนูภาวนาอยู่ที่บ้านนะคะ ก็อย่างสังเกตใจว่าอย่างถ้าเป็นสภาวะหลายๆอันเนี่ยคือหนูจะใจเป็นกลางอยู่ค่ะแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่หนูดูไม่ออกคือโทสะที่มันมาในรูปของความเบื่อคือหนูใจไม่เป็นกลางกับตัวนี้หรือเปล่าคะเพราะพอเห็นทีไรมันเบื่อแล้วมันซึมแล้วมันก็จะเหมือนมีดิ้นๆอยู่ข้างในมันครอบงำมันความเบื่อโทสะมันครอบําใจค่ะเบื่อเป็นโทสะอย่างหนึ่งค่ะเหมือนหนูมีพื้นเป็นโทสะอยู่แล้วอะค่ะไม่สบายโทสะมันก็เปิดง่าย ว่าโทสะมันตามหลังทุกขเวทนามาถ้ามีความสุขก็ไม่มีโทสะสิดูมันทํางานไปนะดูมันทํางานเห็นกายก็ไม่ใช่ตัวเราทํางานของมันจิตมันจะสุขจิตมันจะทุกข์มันจะเป็นกุศลมันจะอกุศลมีโทสะอะไรมันก็ทําของมันดูไปเรื่อยกายมันก็ทํางานของมันจิตมันก็ทํางานของมันแต่ว่าเมื่อไรกิเลสเข้ามาครอบงําจิตก็รู้ทันเอาไม่เปิดต่อต้านนะวิธีสู้กิเลสเนี่ยอย่าใช้วิธีต่อต้านมัน กิเลสเหมือนน้าไหลมาปล่อยให้มันไหลไปจะไปสร้างกําแพงกั้นน้ำไว้มันมีแรงปะทะเราดูเล่นๆเห็นนั้นมาแล้วมันก็ไปค่ะหนูเห็นว่ามันมาแล้วมันก็ไปแต่ว่ามันเหมือนไปช้าหน่อยก็อยากให้มันไปเร็วๆอยากให้มันไม่มาแล้วจริงๆคือต้องปฏิบัติอะไรให้มันดียิ่งกว่านี้ไหมคะไม่มีมีแต่ว่ารู้ไปนะเพียงแต่ว่าใจเนี่ยมันขาดความสงบไปบ้างมันไม่ได้ทําสมถะ มันเลยแห้งแรงไปหน่อยอพอแห้งแรงแล้ ว, ลวรเราเผชิญกิเลสเผชิญอะไรมันก็สู้แบบแห้งๆแต่นหนูจะบอกจิตคึกคักเวลาจะมาวัดอ่ะค่ะเอออ้าเบอร์เจ็สิบขอบพระคุณค่ะอยู่ข้างหลังน้อมมัสการค่ะเออจะถามหลวงพ่อว่า ก่อนที่หนูจะไปดูจิตหนูจะชอบไปสร้างจิตชนิดหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ค่อยไปดูค่ะถามว่าจิตชนิดที่หนูไปสร้างขึ้นมาก่อนที่จะดูจิตนี่ผิดหรือเปล่าคะผิดสิสร้างอะไรก็ผิดหมดแลให้เรารู้สิ่งที่มันมีอยู่จริงๆไม่ไปสร้างขึ้นมานะแต่มันเหมือนเป็นเครื่องอยู่ของหนูด้วยค่ะมันเป็นเครื่องติดน่ะสิอ๋อมันเป็นเครื่องติดในใจเราก็แปะอยู่ตัวนั้นเลย อให้ทิ้งตัวที่สร้างเลยเราไปดูเลยไม่ต้องไปสร้างรู้เลยตัวไหนเกิดขึ้นสดส ด, สดร้อนๆก็รู้ตัวนั้นไปนะไม่ต้องไปทําตัวหนึ่งนิ่งนิ่งขึ้นมาอ๋อตัวอ๋ตัวนิ่งนิ่งนั่นไม่ต้องไปทําขึ้นมาก็ไม่ต้องทํามานะมัน<ต><ต>นิ่งของมันเองแต่เหมือนทําแล้วตัวอื่นๆมันจะชัดขึ้นใช่มันจะชัดแต่มันผิดธรรมชาติ<อ>นะมันจะเห็นว่าตัวอื่นเนี้ยไม่เที่ยงแต่ตัวเนี้ยเที่ยงมันจะเหลือตัวหนึ่งคงที่อยู่ ใช่แล้วแล้วมันจะรู้สึกสบายจงใช่มันจะติดสมถะอ๋อจะติดสมถะ อ, อช่ติดเพ่งตัวรู้อนะก็เป็นการเพ่งจิตนั่นเองเพ่งจิตไว้ก็เป็นการฝึกอรูปฌานอย่างหนึ่งจิตก็จะสงบนิ่งเฉยๆอยู่นั่นเราเห็นว่าจิตเที่ยงแล้วให้มันแปรปรวนไปให้มันแปรปรวนแล้วเราคอยดูไปอย่างสบายใจสมน้ําหน้ามันแปรปรวนทั้องอย่างนี้นะเอ อ, อ, อดูไปอย่างมีความสุข ของโล ไ, <อ>ไปประครองตัวรู้ให้มันนิ่ง<อ>นะ<ช>อย่าไปประครองไว้เพื่อริ <12. S 3> อบสองนับราชการหลวงพ่อครับก็ส่งกันบ้านในรอบสามเดือนนะครับก็คราวที่แล้วหลวงพ่อก็บอกว่าก็ให้รู้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ช่วงที่ผ่านมาก็ตามรู้ในชีวิตประจำวันนะครับก็เห็นว่ามันก็ รู้บ้างเผอบ้างเพียงบ้างเป็นกลางบ้างไม่เป็นกลางบ้างเจริญบ้างเสื่อมบ้างนะครับสลับกันไปมาครับแล้วก็บางทีเนี่ยมันจะเกิดสภาวะแปลกๆเหมือนมันเกิดดับยิบยับไม่รู้ว่าเป็นสภาวะอะไรแต่ก็แต่ก็รู้ไปอ่ะครับถ้าเกิดสงไหลขึ้นมาก็รู้ว่าสงสัยก็อยากขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากหลวงพ่อนะครับขณะนี้จิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมอ๋อครับผมมันไม่ตึงฐานนะไม่ถึงฐานภาวนาได้ดีแล้วอ๋อครับไปดูอีก เบอร์แปดอยู่ไหนค ร, ครับเป็นคนใหม่นะครับอาจารย์ก็ประเดินได้เมตตาจากคุณพี่ยังค้างให้มีโอกาสได้ถามก็ปฏิบัติมาได้ประมาณหกเดือนนะครับฟังเสียงพระอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ตื่นเต้นมากครับอืมธรรมดานะใครคุยกับหลวงพ่อก็ตื่นเต้นก็รบกวนอยากให้พระอาจารย์ มัุ่ญแจในการปฏิบัติประจำวันคุญแจนะ่ารู้ทันใจเราลงปัจจุบันไปได้ครนะอย่าไปบังคับมันตอนนี้กดอยู่รู้สึกไหมครับนะรู้ลงปัจจุบันไปได้กุญแจของเราก็มีสติรู้ความรู้สึกในปัจจุบันนี้แหละครับนะรู้ไปบ่อยๆอย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดแล้วทราบไหมครับกดให้นิ่งแล้วทราบไหมครับต้องไม่กดเลยนะกดแล้วไม่ดียกกดไว้เอาเบอร์สามหนึ่งข้างหลัง กับนมัส ก, การหลวงพ่อครับเส่งการบ้านจากคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าติดประคองจิตไม่มีแรงแล้วก็หลายๆอย่างนี่ไม่ที่ไม่ค่อยดียครับแล้วก็ไปปฏิบัติในรูปแบบเพิ่มขึ้นะนะครับอืแล้วก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นครับเนี่ยเราทํานะทําในรูปแบบทำไปเรื่อยๆแล้วสติมันเกิดไวขึ้นไวขึ้นไม่ไม่ได้ทํามากมากเกินไปหรือไม่เพ่องอะไรใช่ไหมครับไม่ไม่ได้เพ่งครับมีตอนเนี้เพ่งนิดนึง กนดไปนิดหนึ่งนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะทําตอนตอนตอนที่ว่าเดินจงกรมบางทีก็รู้สึกมันมันนิ่งเกินองค์เกินไปนิดเดินเพ่งไปเดินจงกรมอย่าไปคิดมากว่าเราจะปฏิบัติทำคิดว่าเราจะเดินเล่นคเดินเล่นเล่นเห็นร่างกายมันเดินเห็นจิตมันเคลื่อนไหวนะครับยยีบอยู่ที่ไหนนิดนึงได้ไหมครับว่าไปอย่างย่งตอนที่ว่าเดินจงกรมแหะครับพอดีว่าถ้าเผื่อว่าได้ยินเสียงอะไรมาเข้ามาในหูสักอย่างนึ่งปั๊บเนี่ยแล้วสักพักหนึ่งมันเกิด เป็นเป็นมโนภาพขึ้นมา อ, อช่นี่คือมันมันมั น, เ ป, นเป็นสัญญาเป็นสัญญาปกติไม่เป็นความคิดอะไรใช่มใช่เป็นสัญญาผุดขึ้นมาโอ้อครับนะากัดรอยอยู่ข้างหลังนามสกานเจ้าค่ะหลวงพ่อคือลูกก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาปีกว่าแล้วแต่ว่าไม่เคยส่งกันบ้านเพิ่งเคยส่งครั้งแรกค่ะคื อ, อเมื่อสอาทิตย์ก่อนนะคะลูกก็ ก็เดินจงกลงมาค่ะก็เดินตั้งแต่ตอนบ่ายค่ะก็เดินเดินไปก็เห็นโมหะเต็มไปหมดเสรจแล้วก็เดินไปเรื่อยๆค่ะพอดีก็ไม่ได้ทันเขาเย็นก็เลยเดินไปเรื่อยๆพอสักสองทุ่มาค่ะอยู่จิตมันก็โล่งแบบไม่รู้คือโมหะอยู่ๆมันก็ผิดหาไหายแบบไปเลยลูกก็รู้ว่าเดี๋ยวมันต้องมาอีกก็เดินเดินต่อไปมันก็กลับมาค่ะทีนี้เราไม่ได้ฝึกไล่มันนะค่ะมันจะมามันจะไปเรื่องของมันค่ะหนูก็เลยก็เลย พูดโพทพทไปพอดูอีกทีมันก็หายแวบไปอีกเดี๋ยวมันก็มาอีกมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งคืนลูกก็กกเราดูไปนะถึงโมหายไม่มาตุ้ยก <ภา S 2> ็ามาอีก <ภา S 2> เดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวกิเลสนโน้นเดี๋ยวกิเลส น, นี้เดี๋ยวกูสนอย่างนั้นเดี๋ยวกูสนอย่างนี้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์หมุนเวียนอยู่อย่างนั้นเองที่นี้ทีนี้คือพอวันต่อมาลูกก็ไม่แน่ใจเอ้มันเป็นอาการของสมาธหรือเปล่าเพราะว่าหัวลูกไม่เคยโล่งแบบนี้มาก่อนในชีวิไม่เป็นไรเลยเราใจเราตื่นให้นมาันก็โล่งเค่ะ แต่ว่ามันจะไม่โล่งก็ช่างมันนะค่ะเรามีหน้าที่รู้ทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นค่ะแต่ตอนนี้มันเก่งเก่งเพราะว่าลูกไม่แน่ใจว่าวันนั้นทําถูกเบาเลยเอาหนังสือวิธีปฏิบัติมาทําแล้วมันเลยผิดมันก็เก่งวันนี้ก็เลยเก่งอยู่อนะดูไปธรรมชาตินะที่ฝึกอยู่ใช่ได้ไปฝึกอีกร้อยสี่สิบแปดอยู่ที่ไหนเลยสามคนนะร้อยสี่สิบแปด้อยแปดร้อยสามสิบอยู่ข้างหน้าข้างหน้า ข้างหลังนะไม่ต้องเสียใจนะหมดเวลาซะก่อนเดี๋ยวไปถามแม่ชีนะถามครูบาถามหน่่ยมีอยู่สามคนนะจะช่วยตอบแทนหลวงพ่อได้นมัสการเนียหลวงพ่อเ อ, อส่งมาบ้านข่าวที่แล้วดีหลวงพ่อบอกว่าจิตใกล้จะตื่นทีนี้เ อ, อผมก็กลับไปควานหาโอเ้เสียสีไปควานหาว่าเอยความหมายของคำว่าใจใจใกล้จะตื่นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็อยากจะรู้ ก็เกิดเกิดเกิดเกิดความอยากขึ้นมาเอว่าอยากอยากอยากรู้ว่าความหมายที่หลวงพ่อให้มาเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างแล้วก็เลยไปกวานฟังตามซีดีก็เป็นปิติกริงว่าเวลาผมฟังซีดีทีไรแล้วมันจะเจอทุกทีความหมายของหลวงพ่อที่หมายถึงว่าเวลาฟังทีดีแล้วจะเจอคําตอบทุกครั้งเวลาเราเจอปัญหาอะไรเราเรามาฟังแล้วก็จะจะเหมือนแบบปิติขึ้นมาว่าเออได้เจอพอดีเลยคําตอบที่ที่ที่อยู่ในซีดีฮะ แล้วก็คราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่ากดอยู่ไม่ทราบว่าตอนนี้กดอยู่หรือเปล่าคนน้อยลงแล้วนะโล่งขึ้นรู้สึกไหมครับใจโปร่งนะเราปล่อยให้มันทํางานแล้วตามดูมันเลยครับถ้าเรากดอยู่มันไม่มีไตรลักให้ดูครนะดีละร้อยแอยู่ข้างหลังร้อยแปกราบนะมัสการหลวงพ่อค่ะหนูส่งการบ้านเะยคะ่ะตอนนี้หนูรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยแล้วก็มีโมหะค่ะ แล้วก็ข่าวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าหนูรู้รู้อยู่เฉยๆยังไม่เห็นเกิดดับไม่ทราบว่าตอนนี้หนูจะต้องดีขึ้นแล้วตัวสื่อใจเราไม่คงที่แล้วค่ะใจเราแข่งไปแข่งมาดูออกไหมออกค่ะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีโทสะบ่อยเออดีนะแต่เดิมเราไปจ้องนิ่งๆไว้นะไม่มีกิเลสแต่ว่าไม่มีปัญญาค่ะดีแล้วตอนนี้หนูควรจะทํายังไงต่อทําใจให้ปร่งวันนี้สบายวันนี้ให้เป็นธรรมชาติมากกว่านี้อีก ขนาดนี้กดแรงไปรู้สึกไหมขนาดนี้มัวนิดหนึ่งดูออกไหมมันมีโมหะแทรกอยู่ทำใจสบายๆแล้วก็รู้เล่นๆ เ, เห็นไหมมาเรียนกับหลวงพ่อมีแต่คำว่าสบายคำว่าเล่นๆ เ, เห็นไหมเพรา ะ, ะเราสุขขาปฏิปทา <c oughs> อา้าวเชิญกลับบ้านยมที่เหลือนะคนไหนมีคำถามนะมีถามแม่ชีถามครูบาถามด็อกเตอร์หนุย่ยแต่อย่าไปถามเขานะว่า ขณะนี้จิตหนูเป็นยังไงนะถ้าจะไม่ได้ดุยะหรอกแตบบ่ว่ามีปัญหาอะไรไปคุยนะธรรมะมันจะถ่ายทอดออกมาเอง